39รู้อะไรก็ได้แต่รู้แล้วกลับมารู้ใจตัวเองวงเล็บเปิด27เมษายนสอ5พั 51, ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดผิดตรงไหนรู้ไหมที่โยมพูดเมื่อตะกี้มีประโยคที่ผิดอยู่โยมบอกว่าอ่านหนังสือให้รู้ว่าอ่านหนังสือเราไปรู้ทําไมว่าอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือแล้วใจเราไหลไปที่หนังสือรู้ว่าใจเราไหลไปที่หนังสือเราอ่านหนังสือแล้วเกิดสนุกขึ้นมาเราพอใจรู้ว่าพอใจ อ่านเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่านแล้วงงรู้ว่างงเห็นไหมไม่ว่าจะไปรู้อะไรสุดท้ายย้อนมารู้ใจของเราเอาไว้อะไรก็ได้นะไม่ห้ามรู้อะไรก็ได้รู้แล้วกลับมารู้ใจไม่ใช่จงใจจ้องนะมันจะรู้ขึ้นมาเองถ้าจงใจจ้องจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งๆเฉยๆ